ในสมัยที่ยังไม่มีพระพุทธศาสนาคนเราก็จะหาวิธีดับทุกข์อยู่สองวิธีด้วยกันวิธีแรกคือการหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายนี่เองเพื่อที่จะดับความทุกข์ คือเวลามีความทุกข์ก็ไปเที่ยวกันไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายไปดูหนังฟังเพลงไปกินไปดื่มอะไรต่างๆเหมือนคนสบายนี้เวลาทุกข์ก็ไปเที่ยวกันไปชอปปิ้งกันไปซื้อของที่อยากจะซื้อกันไปกินไปดื่มของที่อยากจะกินอยากจะดื่ม บางคนก็เสพยาเสพติดเสพยาเสพติดแล้วความทุกข์ก็หายไปบางคนก็ดื่มสุรายาเมาบางคนก็เข้าบ่อนไปเล่นการพนันไปมอนติคาล์โไปวลาสเวกัสบางคนก็ไปท่องเที่ยวไป ไปเมืองคารนไปเมืองแอสเปนโคโลราโดไปหาความสุขกันเพราะอยู่บ้านแล้วมันเบื่อมีความทุกข์ไม่สบายใจนี่คือวิธีหาความสุขแบบหนึ่งคือหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายแบบที่สองที่หากันคือพวกดูสีฉีภัยต่างๆ ที่หาดับความทุกข์ด้วยการไปทําให้ร่างกายทุกข์เช่นทรมานร่างกายด้วยวิธีต่างๆบางคนก็เอาของแหลมคมมาทิ่มที่กระพุ้งแก้มบางคนก็เอามีดมากราดมากรีดตัวเองบางคนก็ไม่อาบน้ําบางคนก็ไม่มีเสื้อผ้าไม่ใส่เสื้อผ้า ฉีบเลยบางคนก็นั่งสมาธิบนบนที่นั่งที่มีของแหลมคมทิ่มแทงแต่วิธีการเหล่านี้ทําไปความทุกข์ก็ไม่หายไปเพราะความทุกข์มันอยู่ที่ใจไม่ได้อยู่ที่ร่างกายถึงแม้ว่าจะทนกับความเจ็บปวดของร่างกายได้ แต่ก็ยังไม่สามารถหยุดความทุกข์ทางใจได้พระพุทธเจ้าตอนที่ยังไม่ได้ตัดสุขก็ทดลองทั้งสองแบบนี้มาก่อนตอนที่เป็นเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะอยู่ในพระราชวังพระองค์ก็ใช้ความสุขจากตาหูจมูกลิ้นกายทาง้งทางตาหูจมูกนิ้นกายมา บาบัดความทุกข์ใจแต่พอไปเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายความสุขที่ได้จากการาเสพรูปเสียงกิจลดในวังก็หายไปหมดเพราะเห็นคนแก่ก็นึกถึงตนเองที่จะต้องแก่เห็นคนเจ็บก็ต้องนึกถึงตนเองที่จะต้องเจ็บ เห็นคนตายก็นึกถึงตนเองที่จะต้องตายนึกถึงคนแก่คนเจ็บคนตายทีไรก็ไม่สบายใจเพราะรู้ว่าต่อไปจะต้องแก่จะต้องเจ็บจะต้องตายต่อให้ไปเที่ยวต่อให้ไปกินไปดื่มไปดูไปฟังอะไรก็จะลืมความทุกข์ไปชั่วคราวเวลาไปเที่ยวก็ลืมเรื่องความทุกข์ต่างๆไป แต่พอกลับมาจากการไปเที่ยวพอไม่ได้ทำอะไรเดี๋ยวก็นึกถึงความแก่ความเจ็บความตายขึ้นมาพอเห็นคนแก่เห็นคนเจ็บเห็นคนตายก็ทำให้ใจไม่สบายพระพุทธเจ้าก็รู้ว่านี่ไม่ใช่ทางสู่การดับทุกข์ก็เลยไปเห็นนักบวชพวกฤาสีชีพายก็อยากจะไปลองใช้วิธีของฤาษีชีพาย ไปบวชไปรักษาศีลไปนั่งสมาธิความทุกข์ก็ยังไม่หายไปความทุกข์ที่ความทุกข์หายไปเฉพาะเวลาที่อยู่ในสมาธิเวลาออกมาจากสมาธิความทุกข์ก็ยังกลับมาอยู่ก็ลเลยลองอดอาหารดูไม่กินข้าวถึง4ี่บเก้าวันจนร่างกายนี้จะตาย ก็ยังความทุกข์ใจก็ยังไม่หายไปคิดถึงความแก่ความเจ็บความตายก็ยังทุกข์กับมันอยู่พระพุทธเจ้าก็เห็นว่ามันไม่ใช่ทางที่จะนําไปสู่การดับความทุกข์ที่มีอยู่ในใจพระพุทธเจ้าก็เลยต้องทศใช้ใช้ปัญญาค้นคว้าหาว่าความทุกข์ใจนี้มันเกิดจากอะไรกันแนะ่ และอะไรที่จะมาดับความทุกข์ใจได้ก็ลองใช้วิธีการทําใจให้สงบในเบื้องต้นพอใจสงบความทุกข์ต่างๆก็หายไปชั่วคราวพอออกจากความทุกข์มาออกจากความสงบมาพอใจไปคิดถึงเรื่องความแก่ความเจ็บความตายก็เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาใหม่ะ ก็เลยพิจารณาว่าทุกเพราะอะไรทุกเพราะว่าไม่อยากแก่นั่นเองเวลาไม่อยากแก่ไม่อยากเจ็บไม่ได้อยากตายมันก็ทำให้เราทุกเวลาที่เราจะต้องเจอความแก่เจอความเจ็บเจอความตายร๋องก็เลยทรงค้นพบว่าเหตุที่ทาให้คนเราทุกข์กันนั้นก็คือความอยากนี่เอง ความอยากอยู่อยากมีชีวิตยืนยาวนานเพราะจะได้ใช้ร่างกายไปหาความสุขทางตางหูจมูกนิ้นกายใช้ร่างกายไปหาสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้หาเงินหาทองหายศหาตาแหน่งหารางวัลอะไรต่างๆอย่างที่มนุษย์เราทุกยุคทุกสมัยทำกันเนี่ย คนเกิดมาทุกคนนี like ้อยากร่ำอยากรวยอยากมีเงินมีทองอยากได้ตำแหน่งอยากได้รางวัลอยากได้ให้คนยกย่องสรรเสริญอยากมีความสุขทางตาหูจมูกลิ้วกายก็ต้องมีร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงไม่มีใครอยากจะแก่จะเจ็บจะตาย พอเวลาร่างกายแก่ร่างกายเจ็บร่างกายตายไม่สามารถหาความสุขจากสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ได้นั่นเองจึงทุกกันทุกขกับความแก่กลัวความแก่ไม่อยากแก่ไม่อยากเจ็บไม่อยากตายเลยทำให้ไม่สบายใจขึ้นมาแต่พอเวลาเข้าไปในสมาธิ จิตสงบจิตไม่คิดถึงความแก่ไม่คิดถึงความเจ็บไม่คิดถึงความตายความอยากก็ไม่ได้เกิดขึ้นมาความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายก็ไม่มีก็เลยเห็นว่าอ๋อเวลาที่ไม่มีความอยากเวลาที่ไม่ได้ไปคิดถึงความแก่ความเจ็บความตายความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายก็ไม่มีพอความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายไม่มีความทุกข์ก็ไม่มี เวลานั่งสมาธิจิตหยุดคิดหยุดคิดถึงความแก่หยุดคิดถึงความเจ็บหยุดคิดถึงความตายก็เลยไม่ไม่มีความอยากความอยากมันต้องคิดก่อนคิดถึงเรื่องนั้นก่อนถึงจะอยากตามมาคิดถึงคิดถึงขนมก็ถึงจอยากกินขนมคิดถึงภาพยนตร์ถึงอยากจะดูภาพยนตร์คิดถึงสถานที่ถึงอยากจะไปที่ที่สถานที่เหล่านั้น พอหยุดความคิดปับความอยากมันก็หยุดไปพอความอยากไม่ทำงานความทุกข์ในใจก็เลยไม่มีตอนเข้าสมาธินี่ความทุกข์หายไปหมดเลยแต่พอออกจากสมาธิมาพอมาคิดถึงสิ่งนั้นสิ่งนี้ก็เกิดความอยากขึ้นมาคิดถึงขนมก็อยากกินคิดถึงเครื่องดื่มก็อยากจะดื่ม แล้วถ้าไม่ได้ดื่มก็ไม่สบายใจทุกข์ใจขึ้นมาถ้าอยากจะกินขนมไม่ได้กินขนมก็ทุกข์ใจขึ้นมาก็เลยเห็นว่าความทุกข์ใจนี้เกิดจากความอยากโดยอาศัยความคิดเป็นเป็นเครื่องมื อ, อดังนั้นพระพุทธเจ้าก็เลยเลยมาเปลี่ยนวิธีคิดใหม่ให้ไปคิดที่จะทำให้ไม่อยากวิธีที่จะคิดที่จะทำให้ไม่อยากก็คือ คิดในความเป็นจริงคิดตามความเป็นจริงคิดให้เห็นว่าสิ่งที่เราอยากได้นี้ถึงแม้มันจะให้ความสุขกับเราแต่มันเป็นความสุขเดี๋ยวๆได้มาแล้วเดี๋ยวมันก็หมดไปหมดไปแล้วก็ต้องหาใหม่ถ้าหาใหม่ไม่ได้ก็จะทุกข์ใจเช่นถ้าคอยถ้าดื่มกาแฟอยู่เรื่อยๆ พอเวลาได้ดื่มกาแฟาก็มีความสุขเดี๋ยวพอกาแฟาหมดไม่มีกาแฟาให้ดื่มก็ทุกข์ไม่สบายใจต้องไปหากาแฟาใหม่มาดื่มถึงจะมีความสุขต่อได้นี่คือพระองค์ทรงคนพบว่าความทุกข์ของใจนี้เกิดจากความอยากอยากในรูปเสียงกล็ดรสผลทพะ อยากดูอยากฟังอยากริมรสอยากดมกลิ่นอยากสัมผัสอะไรทางร่างกายพอเวลาได้สัมผัสก็มีความสุขแต่พอไม่ได้สัมผัสก็เกิดความทุกข์ขึ้นมาฉะนั้นถ้าไม่อยากจะมีความทุกข์จากการเสบรูปเสียงกลิ่นรสก็คือต้องหยุดความอยากอยากเสพรูปเสียงกลิ่นรสอย่าไปอยากเสบถ้าไม่อยากเสบแล้ว ก็จะไม่ทุกเวลาที่ไม่ได้เสพเช่นคนที่ไม่ดื่มกาแฟนี้จะไม่ทุกเวลาไม่ได้ดื่มกาแฟคนที่ไม่มีความอยากดื่มกาแฟนี้เวลาไม่มีกาแฟก็ไม่ทุกเวลามีกาแฟดื่มก็ไม่ทุกเฉยๆถ้าอยากแล้วมันจะติดอยากแล้วจะต้องดื่มเรื่อยๆแล้วพอไม่ได้ดื่มมันก็จะทุก เหมือนกับคนสูบบุหรีคนดิ่มสุราเวลาเวลาอยากดื่มสุราก็ต้องไปหาสุรามาดืม่มถ้าหาไม่ได้ก็ทุกข์ถ้าหาได้ก็สุขเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวพอริดสุราหมดไปก็ต้องหาใหม่มาดื่มอีกแล้วต่อไปไม่ช้าก็เร็วร่างกายก็จะดื่มไม่ได้สุขภาพร่างกายก็ไม่ไม่ไหว หมอบอกห้ามเดื่มสุราเพราะถูกห้ามเดื่มสุราก็ต้องทุกข์เพราะว่าไม่ได้เดื่มสุราให้พิจารณาความทุกข์ของสิ่งต่างๆที่เราเสพที่เราอยากได้ว่าถึงแม้มันจะให้ความสุขกับเราแต่มันเป็นความสุขตอนต้นเดี๋ยวมันจะตามมาด้วยความทุกข์ต่อไปเวลาที่มันไม่สามารถเสพสิ่งที่เราอยากจะเสพได้ เหมือนยาเสพติดนะคนที่ติดยาเสพติดนี้เวลาได้เสพยามีความสุขเหมือนขึ้นสวรรค์นะแต่พอเวลาไม่ไม่มียาให้เสพนี่เหมือนตกนรกนะนี่คือความทุกข์ในสิ่งต่างๆที่เราอยากได้กันอยากมีกันอยากเสพอยากสัมผัสกันมันเป็นทุกข์ทุกเพราะมันเป็ น, ปนความสุขชั่วคราวอันนี้จัง ความสุขชั่วคราวอันนี้จังพอมันหมดพอไม่สามารถเติมมันหามาใหม่ได้มันก็กลายเป็นความทุกข์ขึ้นมามันเป็นอนัตตา <c oughs> เราไป <c oughs> เราไปรักษามันไว้ให้อยู่กับเราไปตลอดไม่ได้ความสุขที่เราได้จากสิ่ ง, งต่างๆได้มาแล้วมันก็หมดไปไปเที่ยวกลับมาบ้านความสุขที่ได้จากการไปเที่ยวก็หมดไป พอไม่ได้เที่ยวก็ทุกข์นี่คือความทุกข์ให้มองให้เห็นว่าเป็นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาพอเราเห็นว่ามันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเราก็จะได้หยุดความอยากในสิ่งต่างๆได้ถ้าเราหยุดความอยากในสิ่งต่างๆได้เราก็จะไม่ทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายเพราะอะไร เพราะว่าเราไม่ต้องใช้ร่างกายไปหาอะไรมาเสพแล้วนั่นเองถ้าเราไม่มีความอยากดูก็ไม่ต้องมีตาไม่มีความอยากฟังก็ไม่ต้องมีหูไม่มีความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสก็ไม่มีต้องมีตาหูจมูกเล่นกายไม่ต้องมีร่างกายก็ได้แต่ละสิ่งที่เราจะต้องมีก็คือเราต้องมีสมาธิก่อนถึงจะทาได้ เพราะว่าถ้าไม่มีสมาธิใจเราจะไม่มีความสุขแต่ถ้าใจเรามีความสุขแล้วแล้วเราพอเห็นว่าสิ่งต่างๆที่เราหาผ่านทางร่างกายนี้มันเป็นทุกข์ทุกข์เพราะว่ามันไม่เที่ยงทุกข์เพราะว่ามันไม่สามารถเก็บเอาไว้ให้อยู่กับเราไปได้ตลอดเราก็เลิกเสพได้เรากลับมาเสพความสุขที่ได้จากสมาธิแทน แทนที่จะไปเที่ยวก็มานั่งสมาธิแทนที่จะไปดูหนังก็มานั่งสมาธิแทนที่จะไปดื่มกาแฟาก็มานั่งสมาธิทำนี้ไปเรื่อยๆต่อไปความอยากต่างๆที่เคยมีก็จะหายไปหมดพอหายไปหมดแล้วทีนี้อยู่เฉยๆก็ไม่มีไม่ทุกข์กับอะไรไม่ต้องเข้าสมาธิก็ได้พอไม่มีความอยากแล้วใจก็ สงบเหมือนอยู่ในสมาธิโดยที่ไม่ต้องเข้าสมาธิที่ต้องเข้าสมาธิเพราะว่ายังมีความอยากอยู่ต้องหยุดความอยากด้วยการเข้าสมาธิไม่ทำตามความอยากแล้วต่อไปความอยากมันก็จะหมดไปพอหมดไปแล้วก็ไม่ต้องเข้าสมาธิเพราะไม่มีความอยากมาสร้างความทุกข์ให้กับใจใจก็จะไม่มีความทุกข์อีกต่อไป นี่แหละคือทางที่พระพุทธเจ้าทรงค้นพบวิธีสู่การดับความทุกข์ต่างๆต้องดับด้วยทางที่พระพุทธเจ้าได้ส่งปฏิบัติพระพุทธเจ้าก็ปฏิบัติสองระดับระดับของของผู้คองเรือนก่อนและระดับของนักบวชพระพุทธเจ้าเลยแบ่งทางของการดับทุกข์ไว้เป็นสองระดับด้วยกัน ระดับผู้คลองเรือนคือผู้ที่ยังไม่ได้บวชนี้ก็สรงสอนให้ปฏิบัติทานศีลภาวนาให้ทาบุญทําทานให้รักษาศีลให้ภาวนาการภาวนาก็คือการเจริญสมาธิและปัญญานี่เองเพราะว่าสมถภาวนามีสองอย่างสมถภาวนาทำใจให้สงบก็คือสมาธิ วิปัสนาภาวนาทำใจให้ฉลาดก็คือปัญญาเน้นถ้ายังเป็นผู้ครองเรือนอยู่นี่ต้องปฏิบัติทานศีลภาวนาแต่ถ้าได้ออกบวชแล้วก็ปฏิบัติแค่ศีลสมาธิปัญญาไม่ต้องปฏิบัติการทำทานเพราะว่านักบวชนี่ทำทานไปหมดแล้ว มีเงินทองอะไรก็บริจาคไปหมดเลยไม่เก็บเอาไว้คนที่จะไปบวชในพระพุทธศาสนานี้ต้องสละทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองไปให้หมดเวลาบวชนี้เขาไม่ให้เอาเงินทองมาบวชด้วยให้มีเพียงแต่สมบัติแปดชิ้นคืออัฐบริขารคือบาทหนึ่งใบผ้าสามผืน เ, เข็มขัดรัดเอวหนึ่งเส้น ที่กนหนวดกนผมเข็มกับได้แล้วก็ที่กรองน้ํามีแปดชิ้นก็พอสําหรับนักบวชไม่ต้องใช้เงินเพราะว่าเงินไม่ได้เป็นวิธีที่จะกําจัดความทุกข์ได้นแต่ถ้ายังเป็นคารวะอยู่ยังใช้เงินอยู่แล้วยังใช้เงินไปดับความทุกข์ก็ให้เอาเงินไปทํำทานทําทานแทน แทนที่จะไปเที่ยวก็เอาเงินที่จะไปเที่ยวนี้ไปทำบุญทาทานอันแล้วจะทำให้ความทุกข์ใจที่เกิดจากการอยากไปเที่ยวหมดไปทุกครั้งที่อยากไปเที่ยวก็เอาเงินไปทำบุญทาทานต่อไปความอยากเที่ยวมันก็หมดเพราะไม่ได้ทำตามความอยากพอเราไม่ได้ทำตามความอยากเดี๋ยวความอยากก็หายไปอยากเดินเที่า ก็ไม่เอาเงินไปซื้อสุรามาดืม่มเอาเงินไปทำบุญแทนเอาไปทำทานแทนอยากจะดื่มกาแฟก็ไม่เอาเงินไปซื้อกาแฟมาดืม่มไม่ไปที่สตาบักแต่เอาเงินไปหยอดใส่เหรียญใส่ตู้ในวัดที่ไหนก็ได้ทำบุญทำทานไปพอเราใช้เงินที่จะไปเอาเงินที่จะไปใช้ตามความอยากต่างๆเอาไปทำบุญ ต่อไปความอยากที่จะใช้เงินซื้ออะไรต่างๆที่ไม่จําเป็นก็หมดไปใช้เงินดับความทุกข์ก็หมดไปแล้วเราก็จะสบายใจแล้วการทําบุญก็ทําให้เรามีความสุขใจมากกว่าความสุขที่เราได้จากการทําตามความอยากต่างๆเงินก้อนเดียวกันเอาไปเที่ยวกับเอาไปทําบุญนี่ความรู้สึกต่างกัน ความรู้สึกที่ได้จากการทำบุญได้ช่วยเหลือคนอื่นนี่รู้สึกมีความสุขมากกว่าที่ได้ไปเที่ยวที่ไหนมาไม่ได้ไปเที่ยวกลับมาความสุขก็หายไปแต่ความสุขที่ได้จากการช่วยเหลือคนอื่นหลังจากช่วยไปแล้วหลายวันหลายคืนหลายเดือนมาคิดถึงมันก็ยังมีความสุขอยู่เราตจ่า ถ, ถึงสอนให้ผู้คองเรือนคือคารวะผู้ที่ยังใช้เงิน ดับความทุกข์อยู่ให้ดับใช้เงินดับความทุกข์วิธีที่ถูกต้องวิธีที่จะดับความทุกข์ที่ถูกต้องก็เอาไปทำบุญให้หมดทำบุญทำทบุญทาทานทำกับวัดก็ได้ทำกับโรงเรียนก็ได้ทำกับโรงพยาบาลก็ได้ทำกับองค์กรต่างๆก็ได้ที่เขาทำประโยชน์ให้แก่สังคมสภากาชาติไทยสภากาชาติสากล ที่คอยช่วยเหลือชีวิตคนองค์กรของยูนิเซฟหรือของอะไรพวกนี้ก็ได้เป็นการใช้เงินที่เกิดประโยชน์และทำให้ใจเรามีความสุขมากกว่าความสุขที่เราจะได้จากการไปเที่ยวกันไปซื้อของฟุ่มเฟือยกันซื้อกระเป๋าซื้อรองเท้าซื้อเสื้อผ้าที่ไม่จำเป็นจะต้องซื้อ แต่ถ้าต้องเป็นจะต้องซื้อของปัจจัยสี่นี่ซื้อได้เงินทองนี่มีไว้สำหรับซื้อของจำเป็นเช่นซื้ออาหารถ้าอาหารหมดก็ต้องซื้ออาหารมากินถ้าเสื้อผ้าขาดใส่ไม่ได้ไม่พอใส่ก็ต้องซื้อเพื่อผ้ามาใส่แต่ถ้ามีพอแล้วก็ไม่ต้องซื้อถ้าซื้อก็ถือว่าเป็นความอยากไม่ใช่เป็นความจำเป็นให้ซื้อเฉพาะสิ่งที่จาเป็นถ้าไม่จาเป็นก็อย่าซื้อ เพราะมันจะเป็นความอยากแล้วมันจะต้องซื้ออยู่เรื่อยๆพอซื้อขนหนึ่งแล้วก็อยากจะซื้ออีกขนหนึ่งอยากไปเรื่อยๆมันก็จะทาให้เรานี้ต้องไปหาเงินมาซื้ออยู่เรื่อยๆเราก็เลยจะไม่มีเวลาที่จะมารักษาศีลมาภาวนากันเพราะมัวแต่ไปหาเงินหาทองเพื่อที่จะได้เอามาใช้กันพอใช้หมดก็ไปหามาใหม่เพราะความอยากใช้เงินมันไม่หมดมันไม่หมดไปกับเงิน เวลาเงินหมดแต่ความอยากเที่ยวยังมีอยู่ความอยากซื้อกาแฟซื้อของอะไรมาใช้มันยังไม่หมดมันก็ต้องไปคอยหาเงินอยู่เรื่อยๆมันก็เลยจะไม่มีเวลามารักษาศีลมาภาวนาได้นีแต่ถ้าเราใช้เงินแบบกับสิ่งที่จำเป็นเท่านั้นเราก็ไม่ต้องใช้มากเพราะว่าสิ่งที่จำเป็นก็มีแค่สี่อย่าง อาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยแล้วก็สี่อย่างนี้ก็มีของที่ต้องซื้อประจำบ่อยๆก็คืออาหาร น, านั้นเสื้อผ้านานๆนนก็ซื้อสักทีบ้านก็ถ้ามีแล้วก็ไม่ต้องซื้อใหม่ก็มีแต่จ่ายค่าน้าค่าไฟค่าอะไรไปหรือค่าเช่าบ้านไปยารักษาโรคนานๆก็จะเจ็บไข้ได้ป่วยสักครั้งหนึ่งงั้นรายจ่ายจะเนี้ไม่มีมาก เมื่อรายจ่ายน้อยรายรับก็ไม่ต้องมีมากไม่รู้จะหาเงินไปทำไมเพราะเงินไม่ได้เป็นเครื่องดับทุกข์ต่อให้มีเงินร้อยล้านพันล้านก็ยังทุกข์อยู่ถ้าไม่มาดับความอยากไม่มาหยุดความอยากยานั้นเราต้องการเอาเวลาที่เราไปหาเงินที่ไม่สามารถมาดับความทุกข์ได้นั้นเอาเวลามาปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาดีกว่า เอามารักษาศีลห้ารักษาศีลแปดเราต้องรักษาศีลแปดถ้าเราอยากจะภาวนาะ เ, เพราะว่าถ้าเราไม่รักษาศีลแปดเราจะไม่มีเวลาเพราะศีลแปดนี้จะห้ามไม่ให้เราไปเที่ยวจะห้ามไม่ให้เราไปกินอาหารหลังเที่ยงวันไปแล้วจะห้ามไม่ใหเราไปร่วมหลับนอนกับแฟนออจะห้ามไม่ให้เราไปดูหนังฟังเพลงออไปไปเที่ยวตามแหล่งสถานบันเทิงต่าง จะห้าแม่เราแต่งเนื้อแต่งตัวเพรามันเสียเวลาเอาเวลาไปหมดเราจะได้เอาเวลาที่ไปใช้กับสิ่งเหล่านี้มาฝึกสมาธิได้มาฝึกปัญญาได้นี่คือทำไมยังต้องทำทานก่อนสำหรับผู้ของเลือนถ้ายังใช้เงินไปซื้อความสุขต่างๆอยู่ต้องเอาเงินไปซื้อความสุขด้วยการทำทานด้วยการบริจาค เอาเงินไปบอยจากให้กับองค์กรที่ทำคุณประโยชน์ให้แก่สังคมวัดวาอารามก็ได้โรงพยาบาลก็ได้โรงเรียนก็ได้องค์กรสาธารณกุศลต่างๆก็ได้แล้วพอทำบุญแล้วก็จะหยุดความอยากที่จะใช้เงินไปซื้อของไม่จำเป็นได้เอาเงินไปเที่ยวหยุดการใช้เงินไปเที่ยวได้ พอไม่ได้ทำตามความอยากความอยากมันก็จะหมดไปเหมือนคนสูบบุหรี่เนี่ยถ้าทุกครั้งอยากจะสูบบุหรี่ก็เอาเงินที่จะซื้อบุหรี่นี้ไปทำบุญแทนก็ไม่มีบุหรี่จะสูบพอไม่มีบุหรี่สูบต่อไปมันก็ไม่ได้สูบพอไม่ได้สูบพออยากทุกครั้งที่อยากจะสูบก็ไม่มีสูบเดี๋ยวความอยากมันก็หมดไปเองถ้าทนได้ ถ้าทนสู้กับความอยากได้มันก็เลิกบุหรี่ได้เลิกสุราได้เลิกเล่นการพนันได้เลิกเที่ยวได้แต่ถ้ามันไม่มีกำลังมันก็เลิกไม่ได้วิธีที่จะทำให้เลิกได้เลิกเที่ยวเลิอกอะไรได้ก็ต้องมาหัดทำใจให้สงบมาฝึกสมาธิกันเพราะถ้าเราฝึกสมาธินี้เราจะสามารถ ทำใจให้สงบเวลาใจเกิดความอยากเราก็เข้าสมาธิพอเข้าสมาธิความอยากมันก็จะหยุดไปแล้วความทรมานใจก็ไม่เกิดขึ้นแต่ถ้าเราเข้าสมาธิไม่ได้ปล่อยให้ความอยากาเพิ่มรุนแรงขึ้นไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็จะมีความรู้สึกทรมานใจจนทนไม่ไหวก็เลยต้องไปทําตามความอยาก นี่คือวิธีการดับความทุกข์ต้องดับที่ใจดับคือหยุดกิเลสตัณหาหยุดความอยากต่างๆถ้าไม่มีความอยากใจจะไม่ทุกข์ถ้ามีความอยากพบใจจะทุกข์ขึ้นมาทันทีและวิธีที่จะดับความอยากได้ก็ต้องหยุดหยุดความคิดทำใจให้สงบเข้าสมาธิให้ได้ทุกครั้งที่เกิดความอยากก็เข้าสมาธิไป แล้วต่อไปก็จะไม่มีความอยากที่จะไปทำไปทำอะไรตามความอยากอีกต่อไปเพราะความอยากพอมันไม่ได้รับการตอบสนองมันก็จะลดน้อยลงไปเรื่อยๆเหมือนเวลาที่เราจะเลิกอะไรเนี่ยเลิกดื่มกาแฟเราลองลดการดื่มกาแฟลงดูเคยเดื่มสามแก้วก็ลดลงเหลือสองแก้วแล้วก็ลดลงเหลือหนึ่งแก้ว แล้วก็ลดเหลือวันเว้นวันเดื่มวันนี้พรุ่งนี้ไม่ดื่มแล้วต่อไปก็ลดเหลือแค่สามวันดื่มครั้งหนึ่งห้าวันดื่มครั้งหนึ่งต่อไปมันก็จะรู้สึกเฉยเฉยพอไม่ได้ดื่มมันก็ไม่เดือดร้อนอะไรอนี่คือวิธีการตัดความอยากหรือลดความอยากหยุดความอยากต้องฝืนมันต้องไม่ทำตามความอยากถ้าทาแล้วมันจะขยายตัว แค่ตอนต้นเราสูบบุหรี่ตอนต้นเราก็สูบแค่วันละสองสามมวนแล้วเดี๋ยวเราก็เพิ่มอยากจะเพิ่มเป็นสี่ห้ามวนพอเพิ่มเป็นสี่ห้ามวนก็อยากจะเพิ่มเป็นหกเจ็ดมวนหรือสูบไปสูบมาเดี๋ยวบางคนสูบวันละหกสิบมวนนะสูบถ้าปล่อยให้สูบตามความอยากมันจะขยายตัวไปเรื่อย แต่ถ้าเราคอยฝืนความอยากคอยควบคุมความอยากมันก็จะหดตัวลงมาเรื่อยๆลดลงมาเรื่อยๆจนในที่สุดมันก็จะาหายไปหมดถ้าเราไม่สามารถหยุดแบบทันทีทันใดได้เราก็ค่อยๆหยุดมันลดทีละสิบเปอร์เซนต์ก็ได้ถ้าเคยใช้เงินไปเที่ยวสิบเก้ยเปอร์เซนก็ข่าวต่อไปก็ใช้แค่เก้าสิบข่าวต่อไปก็ใช้แค่แปดสิบ ต่อไปก็ลดลงไปเรื่อยๆต่อไปก็เหลือศูนเปอร์เซนต์ก็ไม่ต้องเที่ยวก็ได้ทุกอย่างเราสามารถทาได้ถ้าเราไม่มีกำลังมากเราก็ทำจากน้อยไปหามากก่อนเราค่อยๆลดมันลงไปแต่เราต้องรู้สาเหตุว่าทำไมเราต้องลดเราสาเหตุก็คือการทำตามความอยากนี้มันจะทำให้เราเดือดร้อนในภายหลัง เวลาที่เราไม่สามารถทำได้เวลาที่เราไม่มีเงินทองก็ทำไม่ได้เวลาที่ร่างกายไม่สบายก็ทำไม่ได้เวลาที่ร่างกายแก่ก็ทำไม่ค่อยไหวถ้าเราไม่หยุดเวลาถึงเวลาที่เราทำไม่ได้เราจะทุกข์ทรมานใจมากจนถึงอยากจะฆ่าตัวตายกันนะคนในยุโรปในประเทศที่จเจริญแล้วเดี๋ยวนี้พอแก่แล้วไม่สามารถ หาความสุขได้เพราะร่างกายมันไม่สบายเป็นโรคภัยไข้เจ็บเป็นอมภพกรมภาตก็คิดอยากจะฆ่าตัวตายนั่นเองเพราะทนกับความทรมานไม่ไหวที่จะต้องอยู่กับความเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วไม่สามารถหาความสุขได้ที่มันทุกข์เพราะมันไม่สามารถหาความสุขได้มันยังอยากหาความสุขอยู่ยังอยาก ไปเที่ยวยังอยากจะดูอยากจะฟังอยากจะทําอะไรเหมือนสมัยตอนที่ร่างกายยังแข็งแรงอยู่แต่พอมันแก่แล้วมันทําไม่ได้มันเลยไม่อยากอยู่ขึ้นมาอยากตายขึ้นมาอความอยากอยู่อยากตายก็ทําให้ทุกข์อีกะเวลาอยากตายแล้วยังไม่ตายก็ทุกข์ก็เลยต้องไปหาหมอให้หมอช่วยฉีดยาตายให้อออันนี้แต่ถ้าเรามาฝึกลด การหาความสุขด้วยความด้วยการทำตามความอยากต่างๆแล้วหัดมานั่งสมาธิมาฝึกทำใจให้สงบต่อไปเวลาร่างกายไม่สามารถหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายได้เราก็ยังสามารถหาความสุขจากการนั่งสมาธิได้จากการทำใจให้สงบได้เราก็จะไม่เดือดร้อนเวลาที่ร่างกายแก่ร่างกายเจ็บหรือร่างกายตาย ว่าเรายังมีความสุขได้และเป็นความสุขที่ดีกว่าความสุขที่เราได้จากการใช้ร่างกายหาเสียอีกเพราะว่าความสุขทางร่างกายมันเดี๋ยวเดียวได้มาแล้วเดี๋ยวก็หมดไปแต่ความสุขทางใจนี่เราสามารถทำได้ทั้งวันทั้งคืนทำได้ตลอดเวลาทำได้จนมันสามารถอยู่มีอยู่ต่อเนื่องตลอดทั้งวันทั้งคืนได้ถ้าเราทำบ่อยๆทำเรื่อยๆ ต่อไปเราจะชำนานแล้วเราจะสามารถทําใจให้สงบได้ทุกเวลานาทีใจของเราก็จะมีความสุขได้ทุกเวลานาทีโดยที่ไม่ต้องมีเงินทองไม่ต้องไปหาเงินทองไม่ต้องมีร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงหรือไม่มีร่างกายเลยก็ได้พระพุทธเจ้ า, านี้ไม่ตอนนี้ไม่มีร่างกาย แต่ใจของพระพุทธเจ้าก็ยังมีความสุขอยู่เต็มที่ใจของภาษาบกของพระพระุทธเจ้าก็เหมือนกันเขาไม่ต้องใช้ร่างกายแล้วเขาสามารถผลิตความสุขได้ด้วยการทำใจให้สงบหยุดความอยากต่างๆที่มีอยู่ภายในใจให้หมดสิ้นไปพอไม่มีความอยากหลงเหนืออยู่ภายในใจแล้วใจก็จะสงบไปตลอดโดยที่ไม่ต้องเข้าสมาธิก็ได้ นี่ละคือวิธีของการดับความทุกข์ที่ถูกต้องที่ดับได้อย่างสมบูรณ์ดับแบบร้อยเปอร์เซนแต่วิธีอื่นนี้ดับแบบชั่วคราวไปเที่ยวก็ดับความทุกข์ได้ชั่วคราวไปซื้อของที่อยากได้มาก็ดับความทุกข์ได้ชั่วคราวแต่เดี๋ยวความอยากใหม่ก็จะโผล่ขึ้นมาอีก ไคยไปเที่ยวที่นี่แล้วเดี๋ยวก็อยากจะไปเที่ยวที่นู่นเกยประเทศนี้แล้วก็อยากจะไปประเทศนั้นมันก็อยากไปเรื่อยๆถ้ามันเบื่อเที่ยวมันก็อยากอย่างอื่นอยากไปซื้อรถซื้ออะไรอีกซื้อเพชรซื้ออะไรอีกซื้อรูปภาพซื้ออะไรต่างๆมันก็มีความอยากให้ใช้เงินไปซื้ออยู่เรื่อยๆแต่ความสุขมันก็แบบเดียวกันได้มาแล้วเดี๋ยวก็หมดไปแล้วพอไม่ได สิ่งที่อยากได้ก็ทุกข์ใจขึ้นมาเเล้ถ้าสูญเสียสิ่งที่ได้มาไปก็ทุกข์ใจขึ้นไหมดังนั้นไม่ใช่เป็นวิธีหาความสุขที่ถูกต้องไม่ใช่เป็นวิธีกาจัดความทุกข์ได้อย่างแท้จริงวิธีที่จะกาจัดความทุกข์ได้อย่างแท้จริงนี้ต้งวิธีของพระพุทธเจ้าก็มีสองระดับถ้าเป็นนักถ้าเป็นผู้คองเรือนยังต้องใช้เงินใช้ทองอยู่ก็ให ให้ทำบุญทำทานก่อนเอาเงินที่จะไปซื้อความสุขต่างๆลดไลงมาทีละเล็กทีละน้อยก่อนก็ได้เคยเ็เอาเงินไปหาความสุขร้อยเปอร์เซ็นตก็ลดลงเหลือเก้าสิบเปอร์เซ็นแบ่งมาสิบเอร์เซ็นมาทำบุญปีต่อไปก็ลดให้เหลือแปดสิบเพิ่มการทำบุญเป็นยี่สิบ ถ้าลดมันลงมาลดการใช้เงินทางความอยากแล้วก็เพิ่มเพิ่มการใช้เงินในการทำบุญทำทานจากสิบเก้าสิบกับสิบก็เหลือแปดสิบกับยี่สิบเหลือเจ็ดสิบกับสามสิบก็ลดมันลงมาเรื่อยๆแล้วก็มาเพิ่มทางทำบุญอยู่เรื่อยๆต่อไปก็จะเหลือศูนย์ไม่ต้องเอาเงินไปซื้อความสุขต่างๆเอาเงินที่จะไปซื้อความสุขไปทาบุญ แล้วต่อไปเราก็จะมีเวลาว่างมีเวลาที่จะมาฝึกมารักษาศีลแปดมานั่งสมาธิมาฟังเทศฟังธรรมได้ถ้าเรามัวแต่หาเงินใช้เงินเราจะไม่มีเวลาพอเพร า, พรายิ่งหาได้มากก็ยิ่งใช้มากพอมีเงินมากก็อยากจะซื้อของแพงๆขึ้นไปไตอนต้นมีเงินน้อยก็ซื้อรถราคาถูกก่อนพอมีเงินมากขึ้นก็ซื้อราคาแพงขึ้น ลดมันมีหลายราคาตั้งแต่ล้าน ต, นต้นต้นอย่างนี้เป็นสองล้านเป็นสามล้านเป็นสี่ล้านเป็นสิบล้านเป็นยี่สิบล้านเมือนก็ลรถเหมือนกันมีสี่ล้อเหมือนกันแต่ทำไมต้องซื้อราคาแพงๆก็ไม่รู้มันก็วิ่งไปไหนมาไหนได้เหมือนกันนะมันทุกคนได้เหมือนกันแต่ทำไมต้องไปเสียเงินซื้อของแพงๆก็เพราะว่ามันมีเงิน พอมีเงินมันก็เลยอยากจะใช้ของแพงๆนั่นเองพอใช้แล้วมันก็ติดต้องใช้ของแพงๆอยู่เรื่อยๆก็ต้องคอยหาเงินมาใช้อยู่เรื่อยๆอย่างคนที่ใช้เงินเหล่านี้จะไม่มีเวลาเข้าวัดกันเชื่อไหมไม่มีเวลาที่จะมานั่งสมาธิไม่มีเวลาที่จะมาฟังธรรมไม่มีเวลาที่จะมารักษาศีลแปกันถ้าวัดก็นานทีนานๆปีหนึ่งเข้าสักครั้งวันเกิดะ เขาทำบุญท่านหน่อยหรือนิมนต์พระไปสวดมนต์ที่บ้านไปทำบุญที่บ้านท่านหน่อยอก็มีเวลาเท่านั้นสำหรับการดับความทุกข์ด้วยวิธีที่ถูกต้องส่วนใหญ่ก็จะไปดับความทุกข์ด้วยวิธีที่ไม่ถูกต้องด้วยการใช้เงินแล้วก็จะมามีปัญหาตอนที่แก่เตอนที่แก่มีเงินเป็นหมื่นล้านแสนล้านก็ช่วยไม่ได้นะ หาความสุขไม่ได้เวลาแก่เวลาเจ็บอตอนนั้นก็อยากจะฆ่าตัวตายเงน้ะเพราะมันทรมานไม่สามารถทำอะไรตามที่เคยทำได้นี่คือไม่ใช่วิธีที่ถูกต้องอวิธีที่ถูกต้องเราต้องพยายามลดการใช้เงินทองตามความอยากลงเอาเงินทองที่จะไปใช้กับการทำตามความอยากนี้เอามาทำบุญท ำ, ท, ำทาน ลดลงไปเรื่อยๆทีละสิบเปอร์เซนปีนี้ลดสิบเปอร์เซตปีหน้าลดยี่สิเปอร์เซนตปีต่อไปลดสามสิบเปอร์ซนตแล้วก็เพิ่มเงินทาบุญทาทานจากสิบเปอร์ซ็นต0เป็นยี่สิบเอร์เซนตไปสามสิบเอร์เซนตไปแล้วต่อไปการใช้เงินตามความอยากก็จะไม่มีใช้เงินตามความจำเป็นก็นิดเดียวนะเสื้ออาหารวันนสักกี่ตังกันใ <c oughs> ของฟุ่มเฟือยก็ไม่ซื้อเลิกซื้อของแพงๆก็ไม่เลิกซื้อถ้าต้องซื้อลดก็ซื้อของลดราคาถูกที่วิ่งได้เหมือนกันก็ใช้ได้ทําไมต้องไปซื้อยี่สิบล้านเมื่อสิบล้านมันก็วิ่งได้เหมือนกันมันก็พาเราไปถึงจุดหมายปลายทางได้เหมือนกันเราก็จะได้มีเงินเหลือเยอะจะเอาไปทําบุญก็ได้หรือจะเก็บไว้เผื่ออนาคตข้างหน้าก็ได้แต่เราเลิกทํางานได้ไม่ต้องหาเงินอีกต่อไป แล้วเราก็จะได้มีเวลาว่างม า, มาฝึกสมาธิมาฟังเทศฟังธรรมให้เกิดปัญญาขึ้นมาแล้วต่อไปพอเรามีสมาธิมีปัญญาเราก็จะสามารถควบคุมความอยากกำจัดความอยากที่ยังมีเหลืออยู่ในใจให้หมดสิ้นไปได้ความอยากที่ได้กำจัดจากการใช้งานนี้ยังเป็นเป็นตัว เป็นหนึ่งตัวเท่านั้นยังมีความอยากอย่างอื่นที่ที่ไม่ต้องใช้เงินที่เราต้องใช้ใช้ปัญญามากําจัดคือความอยากให้คนนั้นเป็นอย่างนั้นความอยากให้เขาเป็นอย่างนี้อยากให้สิ่งนั้นเป็นอย่างนั้นอยากให้สิ่งนี้เป็นอย่างนี้อยากให้ร่างกายของเราเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ความอยากอันนี้บางทีเงินใช้ไม่ได้ต้องใช้ธรรมะใช้ปัญญาถึงจะหยุดความความไม่สบายใจเกี่ยวกับเรื่องต่างๆได้ ต้องใช้ปัญญาสอนใจให้รู้วา all, <path> ่าส okay. ิ่งต่างๆบุคคลต่างๆเหตุการณ์ต่างๆนี้เราไปควบคุมบังคับเขาไม่ได้เขาเป็นเหมือนดินฟ้าอากาศเราเคยอยากจะควบคุมดินฟ้าอากาศไหตอนนี้อากาศร้อนอยากจะทำให้มันเย็นไมไม่ทำาละรู้ทำไม่ได้เราก็ไม่ทำแต่ทาไมกับคนนั้นคนนี้เราอยากจะไปทำให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้บางทีลูกเราไม่ดีเราอยากจะให้เขาดี แเราไปทําได้ปะก็ทําไม่ได้ไปเปลี่ยนเขาได้เปลี่ยนไม่ได้เขาเป็นส้มอยากจะไปเปลี่ยนให้ก็เป็นกล้วยได้ปะแต่เราไม่มองความจริงกันเราไม่มีปัญญากันเรามองแต่ความอยากของเราเฉพาะอยากให้เขาเป็นอะไรก็พยายามที่จะบังคับเขาให้เป็นให้ได้แล้วบางทีก็เกิดปัญหากันเกิดการทะเลาะกันเกิดการโกรธกันเกลียดกันขึ้นมาแทนที่จะรักกัน เพราะความหวังดีของเราอยากจะให้เขาเป็นคนดีแทนที่จะทําให้เขารักเราทํากลับทําให้เขาเกลียดเราขึ้นมาอีกเเพราะเราไม่มองความจริงว่าเขาทําได้หรือเปล่าถ้าเขาทาได้ก็สอนเขาไปถ้าเขาทาไม่ได้ก็ต้องหยุดนอย่าไปทําให้มีปัญหาต่อกันอันนี้คือปัญญาถ้ามีปัญญาจะดูจะรู้ว่าสิ่งต่างๆนี้ มังสิ่งเราก็พอจะทำได้ก็ทำไปสิ่งไหนที่เราทำไม่ได้เราก็ต้องหยุดอย่าไปอยากอย่าไปฝืนอยากเราจะทุกข์ทรมานใจไม่สบายใจเงินทองมีกี่ร้อยล้านพันน้านก็มาแก้ปัญหาความทุกข์ใจแบบนี้ไม่ได้ต้องยอมทำใจเท่านั้นถึงจะสบายใจได้ต้องยอมรับความจริงว่ามันเป็นอย่างนี้ เปลี่ยนเขาไม่ได้เหมือนกับเรายอมรับความจริงว่าตอนนี้อากาศมันร้อนก็ต้องอยู่กับมันไปเทนันเองหัดอยู่กับความร้อนไปมันก็ไม่เดือดร้อนอะไรมันหนาวก็หัดอยู่กับมันไปอย่าไปเปลี่ยนอากาศเปลี่ยนไม่ได้ใช่ไหมเปลี่ยนได้ก็เฉพาะในห้องที่เราอยู่เท่านั้นถ้าเข้าไปในห้องก็เปลี่ยนมาได้ตอนนี้อากาศร้อนก็เข้าไปในห้องนี่มีเครื่องปรับอากาศมันก็เย็นได้ แต่ถ้าเกิดไฟฟ้ามันดับก็ช่วยไม่ได้ครับมันปรับไฟฟ้าให้มันมามันก็ไม่มาอีทีนี้งั้นเราต้องมองให้เห็นว่าทุกอย่างในโลกนี้มันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแม้ว่าจะเป็นอะไรก็ตามมันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตามันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาการเปลี่ยนแปลงของมันมันเลยทําให้เราทุกข์เพราะเราไม่ชอบเปลี่ยนเราชอบให้มันดีพอมันไม่ดีเราก็ทุกข์ ้เราพยายามไปทำให้มันดีมันก็ไม่ยอมดีเราก็ทุกข์อีกแต่ถ้าเรายอมรับว่ามันจะดีก็ให้มันดีไปมันจะไม่ดีก็รู้ว่าไม่ไม่ดีไปเราก็อยู่กับมันไปถ้าอยู่ ถ้าถ้าแยกกันได้ก็แยกกันไปอย่าอยู่ด้วยกันถ้าอยู่แล้วทุกข์ก็อย่าอยู่ด้วยกันต่างคนต่างอยู่กันไปถ้าต้องอยู่ด้วยกันก็ต้องทำใจอ่ะเขาเป็นอย่างนี้เขาเป็นกล้วยก็กินกล้วยไปอย่าไปอยากให้เขาเป็นส้มอย่าไปอยากกินส้มเพราะไม่อยากกินส้มก็ไม่ได้กินส้มเพราะมีแต่กล้วยอยู่กับกล้วยใช่ไหมอยู่คนที่เป็นอย่างนี้เขาก็จะเป็นอย่างนี้อยู่คนที่เป็นอย่างนั้นเขาก็จะเป็นอย่างนั้นะ ถ้าเราทําใจได้เราก็จะไม่เดือดร้อนอันนี้แหละคือเรื่องของปัญญาที่จะต้องสอนใจให้รู้ว่าใจในชีวิตเนี่ยจะต้องเจอสิ่งต่างๆที่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาที่ขึ้นที่มีขึ้นมีลงสิ่งที่เราชอบมันก็มีขึ้นมีลงสิ่งที่เราไม่ชอบมันก็มีมามีไปสิ่งที่เราไม่ชอบพอเราเจอมันเราก็อยากจะให้มันไปพอมันไม่ไปเราก็ทุกข์ แต่ถ้าเราทำใจได้เอามันมาก็มาอยู่กับมันไปเดี๋ยวมันก็ไปเองอย่างความร้อนเนี่เดี๋ยวมันอีกไม่กี่เดือนฝนตกมันก็หายร้อนเองแต่ตอนนี้มันยังร้อนอยู่ก็อยู่กับมันไปคือพยายามสอนใจให้ยอมรับกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันถ้าเปลี่ยนแปลงเขาไม่ได้ก็มาเปลี่ยนใจเราดีกว่ามาทำใจดีกว่าถ้าเปลี่ยนเขาไม่ได้อยากให้เขาหายร้อน มันไม่หายก็มาทำใจเราหยุดความอยากให้มันหายร้อนเสียก็หมดเรื่อง <Yes. P ot ip> พอใจเราไม่มีความอยากให้มันหายร้อนใจเราก็จะไม่ทุกข์กับความร้อน <P ot ip> ก็อยู่ได้ใจเย็นแต่ร่างกาย้อนก็ไม่เป็นไรพอ <P ot ip> <P ot ip> ใจเย็นแล้วความนอนทางร่างกายก็ทาลายทำให้ใจร้อนไม่ได้ใจเย็นเพราะความความไม่มีความอยากความหยุดความอยาก ถ้ามันดื้อก็บงังคับให้มันเข้าสมาธิไปถ้ายัางมันมันยังไม่ยอมหยุดความอยากด้วยเหตุผลเราก็ดึงมันเข้าไปในสมาธิพอจิตเข้าสมาธิมันก็หยุดอยากมันสงบมันก็มีความสุขขึ้นมามันก็เย็นขึ้นมานี่คือเรื่องของการดับทุกข์นอกจากทานแล้วยังต้องใช้ศีลใช้สมาธิใช้ปัญญา กับดับกับความยุอยากเรื่องอื่นๆที่ไม่เกี่ยวข้อง ก, กับการใช้เงินทองดับเราก็ต้องใช้ใช้ศีลใช้สมาธิใช้ปัญญาถ้าอยากจะไปทำบาปก็ต้องใช้ศีลหยุดมันอยากจะไปฆ่าคนนั้นฆ่าคนนี้อยากจะไปเอาทรัพย์ของคนอื่นมาอยากจะไปประพฤติผิดประเวณีอยากจะโกหกหลอกลวงก็ต้องใช้ศีล ห้ามไว้บอกว่าทำแล้วไม่ดีทำแล้วเกิดปัญหาตามมาได้ไม่คุ้มเสียได้อาจจะได้สิ่งที่เราอยากได้มาแต่อาจจะต้องไปติดคุก ต, ต, ติดติดตารางถ้าถูกจับได้ ừ, ừ. พอคิดอย่างนี้มันก็จะได้ไม่กล้าทำได้ ừ, ยังต้องมีศีลไว้คอยห้ามการกระทำที่เป็นโทษกับเราเป็นอันตรายกับเรา ศีลห้าแล้วก็เพิ่มเป็นศีลแปดศีลแปกก็ห้ามให้เราไปทำกิจกรรมที่ไม่มีประโยชน์เช่นการหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายถึงแม้จะเป็นความสุขแต่ก็เป็นความสุขเดียเด่ยวๆเป็นความสุขที่จะกลายเป็นความทุกข์ได้เวลาที่เราไม่สามารถหาได้ตอนที่เราไม่สามารถหาความสุขจากทางตาหูจมูกลิ้นกายได้ ใจเราจะทุกข์มากจะทรมานมากและอาจจะอยากฆ่าตัวตายกันให้เรามาหัดหาความสุขจากการทำใจให้สงบมาฝึกสติฝึกสมาธิกันฝึกใจจะสงบได้นี้ต้องมีสติคอยกากับคอยหยุดความคิดความคิดนี้เป็นตัวที่ทำให้ใจไม่สงบ เ, เหมือนกับรถยนต์นี้อะไรที่ทำให้รถยนต์วิ่งก็คันเร่งอย่างนี้ พอเหยียบคันเร่งรถมันก็วิ่งไปเรื่อยๆถ้าอยากจะให้รถหยุดก็ต้องเหยียบเบรกใจก็เหมือนกับรถนะใจที่คิดอยู่เรื่อยๆก็เพราะความอยากมันก็คิดไปเรื่อยๆคิดแล้วก็อยากได้นู่นอยากได้นี่พออยากแล้วก็ต้องคิดว่าจะทำยังไงถึงจะได้สิ่งที่อยากได้อยากจะไปต่างประเทศก็ต้อง คิดว่าจะทํำยังไงถึงจะไปได้ต้องไปทําหนังสือเดินทางต้องไปจองตั๋วเครื่องบินต้องไปหาเงินมาจ่ายมันก็ต้องใช้ความคิดแต่ถ้าเราหยุดความคิดเหล่านี้อย่าไปคิดมันด้วยการเหยียบเบรกใช้สติสตินี้เป็นเหมือนเบรกแทนที่จะไปเหยียบคันเร่งให้มาเหยียบเบรกแทนให้เรามาพุโทโธพุโทโธพุโทโธ อยากให้ไปคิดถึงสิ่งนั้นสิ่งนี้คนนั้นคนนี้สถานที่นั้นที่นี้พอไม่ไปคิดความอยากที่จะไปสถานที่นั้นที่นี้ก็ไม่มีความอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ก็ไม่มีต้องคอยหยุดมันพอมันอยากปุ๊บก็พุทโธพุทโธพุทโธไปพอมันคิดถึงสิ่งนั้นสิ่งนี้ก็พุทโธพุทโธไปให้มันคิดเฉพาะแต่เรื่องที่จาเป็นเรื่องที่ที่จะทาให้เรา ได้ไประโยชน์เช่นเรื่องทำมาหากินหาอาหารหาอาหารหาเสื้อผ้าหาที่อยู่อาศัยหายารักษาโรคสิ่งเหล่านี้ต้องคิดถ้าไม่คิดเดี๋ยวไม่มีแล้วจะเดือดร้อนได้แต่อย่าไปคิดหาสิ่งที่ไม่จําเป็นที่จะต้องหาหรือสิ่งที่หาสิ่งที่จําเป็นถ้ามีพอเพียงแล้วก็หยุดคิดอย่าหยุดหามันได้อย่าไปหาของที่แพงขึ้นไปเรื่อยๆ บางทีพอหาของถูกได้แล้วทีนี้ก็อยากจะหาของแพงขึ้นอตอนต้นก็ซื้อเสื้อผ้าถูกๆใส่ไปก่อนพอมีเงินมากขึ้นทีนี้ก็อยากจะซื้อเสื้อผ้าแพงขึ้นอันนี้ก็ต้องหยุดคิดอย่าไปคิดคิดว่าเสื้อผ้านี้มีไว้สำหรับสวมใส่ราคาแพงไม่แพงร่างกายมันไม่สนใจนะขอให้มันมีเสื้อผ้าไว้ปกปิดไว้รักษาป้องกันความหนาวป้องกันมแมลงสัตว์กับต่อยก็ใช้ได้แนละ้ว ให่ถ้าไม่มีความจำเป็นที่จะต้องคิดอยากไปคิดคิดแต่เรื่องที่ต้องคิดเวลาเช่นเรื่องทำงานเวลาทำมาหากินต้องคิดก็ปล่อยมันคิดไปแต่พอจะคิดไปเที่ยวคิดไปซื้อของฟุ่มเฟือยก็หยุดเหมือนใช้พุทโธพุทโธพุทโธหยุดเหมือนแล้วมีความอยากที่จะคิดอยากจะให้คนนั้นเป็นอย่างนั้นคิดอยากจะให้คนนี้เป็นอย่างนี้ก็อยากไปคิดมันให้คิดว่าคน คนและสิ่งต่างๆเหมืนมันเหมือนดินฟ้าอากาศเราไปควบคุมบังคับเขาไม่ได้เราไปอยากให้เขาเป็นไปตามที่อยากเราไม่ได้สู้ปล่อยให้เขาเป็นไปตามเรื่องของเขาดีกว่าสบายกว่าไม่เหนื่อยไม่ทุกข์แต่ถ้าไปอยากเราจะเหนื่อยเพราะอยากเราต้องพยายามไปปรับไปเปลี่ยนเขาต้องไปต่อสู้กับเขาแล้วเดี๋ยวบางทีก็เกิดการทะเละวิวาทกันเกิดการ ก่อเกลียดกันขึ้นมาอีกหรืออาจเกิดการทำร้ายกันก็ไดอ้อันนี้คือวิธีเราต้องคอยควบคุมความคิดต่างๆด้วยพุโทโธพุธโทโธก็ได้หรือบังคับให้มันเฝ้าดูว่าตอนนี้ร่างกายกำลังทำอะไรอยู่ร่างกายกำลังทำอะไรก็ให้มันอยู่กับการทำงานของร่างกายกำลังเดินก็ให้มันอยู่กับการเดินอย่าให้มันไปคิดถึงคนนั้นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้ เวลาที่รับประทานอาหารก็ให้มันอยู่ ก, การรับประทานอาหารเวลาตักอาหารก็อยู่กับการตักอาหารเวลาเอาอาหารเข้าปากก็อยู่กับการเอาอาหารเข้าปากเวลาเคี้ยวเวลาเคี้ยวเวลากลืนก็ให้มันอยู่กับการเคี้ยวการกลืนไปทำอย่างนี้แล้วมันจะไม่ไปคิดเรื่องต่างๆได้คือเรามีสตินี่คือวิธีฝึกสติถ้าเราสามารถควบความควบคุมความคิดได้ เวลาเราอยากจะมีความสุขเราก็ไปนั่งสมาธินั่งหลับตาพุโทโธพุโทโธหรือดูลมหายใจเข้าออกอย่าปล่อยให้มันไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆเดี๋ยวใจก็สงบแล้วก็จะเกิดความสุขขึ้นมาเป็นความสุขที่ดีกว่าการไปทำะไรตามตามความอยากแล้วไม่ต้องเสียเงินเสียทองไม่ต้องไปหาเงินหาทองอยากได้ความสุขแบบนี้เมื่อไหร่ก็ทาได้ทันที ทำได้ทุกเวลาทุกสถานที่ถ้าทำเป็นแล้วสถานที่ไหนก็ทำได้แต่ถ้าใหม่ๆถ้ายังทำไม่ได้ต้องไปหาสถานที่ที่ที่ช่วยให้สงบก่อนหรือต้องไปหาที่ที่ไม่มีเรื่องวุ่นวายไม่มีเสียงไม่มีอะไรมาคอยรบกวนใจแต่ถ้าต่อไปเวลาทำได้แล้วอยู่ที่ไหนก็ทำได้ อยู่ในรถเมยก็ทําได้อยู่ที่ไหนขายก็จะทําทอะไรถ้าจิตมีสติมากมันก็ไม่สนใจมันก็พุโทโธพุโทโธอยู่ในใจดูลมไปเดี๋ยวมันก็สงบได้แต่ถ้าตอนต้นยังไม่มีสตินี้พอไปได้ยินเสียงไปได้เห็นอะไรใจมันจะไม่ยอมพุโทโธละมันจะไปตามเสียงตามสิ่งที่เห็นมันก็เลยทําให้จิตสงบยากเฉนเวลาที่ยังฝึกจิตใหม่ๆจึงต้องไปหาที่สงบ ที่ไม่มีอะไรมาคอยรบกวนใจมาคอยดึงใจไปแต่ถ้าต่อไปจิตมีกําลังมีสติมากแล้วสามารถเข้าสงบเข้าสู่ความสงบได้ทุกเวลาทุกสถานที่แล้วทีนี้ทําที่ไหนก็ทําได้ถ้าเราทําได้แล้วต่อไปเราก็ไม่ต้องใช้เงินใช้ทองไม่ต้องใช้ร่างกายสบาย ร่างกายแก่ร่างกายเจ็บร่างกายตายก็ไม่เดือดร้อนไม่มีเงินทองก็ไม่เดือดร้อนเพราะเราสามารถหาความสุขจากการทำใจให้สงบได้ถ้าเรามีสติมีปัญญาสติก็จะทำให้ใจสงบปัญญาก็คอยกาจัดความอยากต่างๆเวลาใจไม่สงบเกิดปัญญาเกิดความอยากก็ใช้ปัญญามาสอนใจว่า การทำตามความอยากนี่จะพาไปสู่ความทุกข์ไม่ใช่พาไปสู่ความสุขมันก็จะหยุดอยากพอหยุดอยากความความทุกข์ก็จะหายไปความสุขก็จะกลับเข้ามาแทนที่นี่แหละคือวิธีที่จะกำจัดความทุกข์ได้อย่างแท้จริงได้อย่างถาวรต้องกำจัดด้วยวิธีที่พระพุทธเจ้าทรงคนพม้มที่ทรงเรียกว่าทางสายกลาง ทางสายกลางคืออยู่ตรงกลางระหว่างการดับความทุกข์ด้วยการหาความสุขทางร่างกายหรือดับความทุกข์ด้วยการทรมานร่างกายในวิธีต่างๆทั้งสองวิธีนี้ถือวิธีเป็นวิธีที่ไม่ถูกดับความทุกข์ไม่ได้จะดับความทุกข์ได้ต้องดับด้วยวิธีของพระพุทธเจ้าถ้าเป็นฆราวาสก็ให้ใช้ทานศีลภาวนาถ้าเป็นนักบวชก็ให้ใช้ศีลสมาธิปัญญา เราก็จะสามารถที่จะดับความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ภายในใจให้หมดสิ้นไปได้อย่างทาวนแเราก็จะทำให้ไม่ต้องกลับมาเกิดอีกต่อไปเพราะการเกิดนั้นจะต้องมีความทุกข์ตามมาถ้าไม่อยากจะมีความทุกข์ก็ต้องไม่เกิดเท่านั้นทุกย่อมมีแก่ผู้ไม่เกิดนี่แหละคือวิธีของการปฏิบัติ ด, ดับความทุกข์ต่างๆค็ต้องดับด้วยทานศีลภาวนาหรือ สมาสีนสมาธิหรือปัญญาแล้วแต่สถานภาพของเราถ้าเรายัางใช้เงินใช้ทองอยู่ก็ต้องเอาเงินทองไปทำบุญทาทานแล้วก็รักษาศีลภาวนาไปถ้าเราเป็นนักบวชเราไม่มีเงินนวก็ไม่ต้องทำบุญทำทานปฏิบัติสีนสมาธิปัญญาเลยแล้วเราก็จะได้ดับความทุกข์อย่างราบคาบและจะไม่ต้องกลับมาเจอกับความทุกข์อีกต่อไป การแสดงก็เคิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุมูธนาให้พรยาทาวาริวาหาปุราปาริปุเรนติสาขลัง เอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปปักปะติยิชิตังปะทิตังตุมหังคิปะเมวะสัมมิจโตสัพเพปเรนโตสังกปาจันโทปนะราโสยะามณีโชติระโสยะาสัพพิตโยวิวาชานุ สัพพโรโควินาสตุมาเตภวตโนวันตรายุสุขีทีขาโยโกภวะอภิวาฒนสิริสานิจจังวุฒาปจายโนจตารโหธรมาวัฏฐานติอายุวันโอสุขังภาลา วันนี้เข้ามาเท่าไหร่วันนี้ทาง Facebook เข้ามาสามร้อยเก้าสิบเจ็ดยูทสองร้อยสิบห้าวิทยุออนไลน์สามสิบสองรับฟังข้างบนนี้ห้าสิบสามคนรวมทั้งหมดหกร้อยเก้าสิบเจ็ดครับเจนควรกายกายปากหนะ่อยอยากจะลบควรพูดกายกายปากกนะันอยากจะลบควรเรียนถามเกี่ยวกับ วิธีการแก้ปัญหาที่ที่พบในปัจจุบันเพราะว่าลูกเนี่ยประพฤติตนแบบถ้าพูดตรงๆก็คือทำบาปต่อพ่อแม่พูดจา ก, ก้าวร้าวแล้วก็ไม่แสดงความเคารพ ก, กดดันด้วยอากัปปะยาต่างๆไม่สุภาพอย่างนี้ค่ะ อจะแก้ยังไงเลยใช่ค่ะอ au, แก้ที่เราอย่าไปแก้ที่เขาเพราะความทุกข์ไม่ได้อยู่ที่เขาความทุกข์อยู่ที่เราความทุกข์อยู่ที่เราอยากจะไปแก้เขาแต่เราแก้เขาไม่ได้เราก็เลยทุกข์เราคือ ว, วิธีจะสอนเขาไม่ให้ไม่ให้ทําบาป ต, ต่อไปได้ไหมครับ เ, เพราะว่าสอนได้แต่ก็จะทําหรือไม่เรื่องของเขาสอนน่ะสอนได้ศาสนาเนี่ยสอนให้คนไม่กินเหล้านะแล้วคนจะกินเหล้าไม่กินเหล้ามันก็เรื่องของเขาใช่ไหม ถ้าไปอยากให้เขาไม่ถ้าอยากให้ทุกคนไม่กินเหล้พาพักก็กินไม่ได้นอนไม่หลับลเลย <Okay. S 1> เข้าใจไหถ้าสอนได้ก็สอนแต่อย่าไปหวังว่าเ็าจะทำหรือไม่ทำเรื่องของเขาเรามีหน้าที่สอนมีหน้าที่บอกก็จบแล้วถ้าเราทุกข์ก็สแสดงว่าเราอยากให้เขาทำตามที่เราสอนถ้าเราไม่อยากจะทุกข์เราก็ต้องหยุดความอยากนี้ปล่อยเขาไปตามเรื่องของเขา มีใครอยากจะถามอีกไหมเดี๋ยวไมโครโฟนไปหน่อยจะได้ยินได้ฟังทั่วถึงกันโยมช่วยส่งไมโครโฟนไปหน่อยกาเรียนท่านเจ้าคุณนะคะคือว่าดูว่ามันมีความสงสัยในตัวเองว่าก็คือเราก็สวดมนต์แล้วก็มีปฏิบัติ นะคะแต่ว่าไม่ถึงกับเข้มข้นหรือว่ า, ารักษาระเบียบในการปฏิบัติไม่ไม่ใช่ว่าเปะ่ะแต่ก็ทำทำบ่อยๆน ะ, ะแล้วก็ทานศีลภาวนานี้ก็คื อ, คอมีอยู่ตลอดแต่ว่ามันมีสิ่งที่เราสงสยัยคาใจอยูนะะ่วันนี้ก็นะว่าเป็นบุญที่จะได้กลาบเรียนท่านชจ้คุณว่ า, าช่วงหนะ้าอกที่ตรงล่องกลางอนะคะ่ะ หลังจากสวดมนต์ที่เรานั่งสมาธิสเสร็จเนี่ยบางครั้งเราจะได้ยินเสียงพูดพู ด, พดออกมาเสียงน้ำเสียงที่พูดออกมานั้นเนี่ยจะเป็นเสียงระดับเดียวกันน ะ, ะไม่มีสูงไม่มีต่าไม่มีหนักไม่มีเบาแต่ว่าไม่ได้บ่อยนักค่ะนานๆจะเกิดแต่ว่าแต่ว่าจะเกิดในช่วงที่ว่าสมมติว่าเรามีปัญหาเราหาคำตอบอะไรเนี้ยแต่เสียงตรงเนี้ย เป็นเสียงคำตอบและจะทำให้เราเก็ทกับปัญหาหรือวิธีแก่ทีนี้หนูเองเนี่ยก็เก็บความสงสัยไว้ว่ามันคืออะไรมันคือเหมือนเหมือนเสียงคนอีกคนหนึ่งอะแต่มันพูดออกมาจากระหว่างกลางร่องอกระหว่างกลาง เ, เจ้าค่ะแตจะรู้ว่ามันเป็นอะไรใช่ค่ะรู้ว่าเป็นอะไรไม่สำคัญเท่าที่รู้ว่ามันเป็นประโยชน์หรือเปล่า มันจะเป็นอะไรไม่สำคัญ <Okay. S 2> ขอรู้ว่ามันเอามาใช้ประโยชน์ได้หรือเปล่า mm hmm. ถ้าใช้ประโยชน์ได้ก็เอาไปใช้เท่านั้นเองเห <Okay. S 2> มือนเดินไปมีเงินตกอยู่ข้างถนนอยากจะไปรู้ว่าเป็นเงินของใครหรือเปล่า <Okay. S 2> ไม่ต้องรู้เก็บเงินไปใช้นะงั้นอย่าไปสนใจว่ามันเป็นอะไรมาจาก mm hmm. ไหนเป็นอะไรอย่างไรมันเป็นก็เป็น mm hmm. แล้วก็ ถ้าเราไปใช้ประโยชน์ได้ก็เอาไปใช้ถ้าไม่ใช้ประโยชน์ไม่ได้ก็ไม่ต้องไปใช้เหมือนเจ้าค่ะเท่านั้นเองฮะ<า>ดูตรงนั้นดีกว่าคือว่าคือว่าต่อไปถ้าเกิดขึ้นเราก็ไม่ต้องสงสัย<อ>มไม่ต้องสงสัยเดี๋ยวเกิดมันบอกเลขโน้นเลขนี้แล้วมันไปแทงถูกก็แทงมันไปนี่แค่นั้นเองไม่ไงส่วนใหญ่ไม่ได้บอกเรื่องนี้ส่วนมากจะเป็นแบบแล้วก็ได้เรื่องอะไรก็ได้มันมันเป็นเรื่องที่มันเป็นเป็น มันอาจจะเป็ น, ปนบา ร, รมีของเราก็แล้วกันเรื่องดีดเรื่องอดีมากกว่าอะไร อ, ะอย่างเงี้ยอย่างอย่างเช่นยกตัวอย่างกลับเรียนท่านชจคุณเรื่องหนึ่งว่าคือเขาจะพูดออกมาว่าแม่จะเสียเดือนสิงหาค่ะแต่ เ, เราก็เราก็เกิดความสงสัยว่าเ อ, อ๊เสียงพูดจากในตัวเราหรือว่าเราคิดมากไปอ่างเงี้ยเพราะโยมแม่ก็ปกติดี แต่พอมาวันที่สองสิงหาเมื่อปีที่แล้วเนี่ยค่ะอยู่ๆลมงแม่ก็เข้าโรงพยาบาลแล้วก็ อ, อ, อยู่ไอซูไม่ได้ออกเลยค่ะก็เข้าวันที่สองก็มาเสียวันที่สิบสี่ซึ่งก็ทำให้หมูอ่ะเก็บข้อมูลมาว่าแล้วคล้ายๆมีความว่าเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะเงี้ยก็ ก็รู้ไปแล้วก็เก็บข้อมูลไปดูว่ามันมันพยากรณ์ตรงหรือเปล่าเหมือนอุตุนิยมวิทยาคือบอกฝนตกก็ดูว่ามันตกหรือเปล่าก่เท่านั้นเองไม่มีอะไรแต่ของเหล่านี้มันไม่มีประโยชน์ในการมาฆ่ากิเลสยังต้องระวังถ้าลงถ้าไปเกิดความอยากแล้วมันจะกลายเป็นกิเลสขึ้นมาอยากช่เวลามีอะไรอยากจะให้มันมาบอกเราอยู่เรื่อย แล้วเวลาไม่ ม, มาบอกเราเราก็จะทุกข์เอ้ยทำไมวันนี้ไม่มาบอกเราสัทีงั้นอย่าไปอยากมันมันมันจะมาก็มามันจะไม่มาก็ช่างมันเจ้าก้าเหมือนฝนดินฟ้าอากาศให้คิดอย่างนี้เจ้าก่ะแล้วมันจะจริงไม่จริงก็สังเกตดูเก็บสติดูว่ามันบอกเราสิบครั้งมันตรงลักสิบครั้งหรือเปล่าตรงก็ดีเราจะได้เตรียมตัวไว้ไง จะมีตาทิพย์มีรู้เหตุการณ์อนาคตได้ก็ดีแต่มันมีตาทิพย์ก็มาหยุดความอยากไม่ได้หยุดกิเลสไม่ได้หยุดการเกิดแก่เจ็บตายไม่ได้ดันรู้ก็ได้ไม่รู้ก็ได้ไม่ไ ม, ไม่ไม่เกี่ยวกับการวิธีการดับทุกข์แต่อย่างใดอาจจะเกี่ยวบ้างถ้าบอกให้รู้ล่วงนั้นแล้วเราจะได้เตรียมตัวเตรียมใจไว้ก่อน ท่นแม่จะตายอย่างนี้เราก็จะได้ัดทำใจไว้ก่อนพอถึงเวลาแม่ตายเราจะได้ไม่ทุกข์ก็ได้ค่ะหมดแล้วยังข้อนี้หมดแล้วค่ ะ, ะถ้ามีาอะไรค่อยถามใหม่นะเดี๋ยวให้คนอื่นก็ <จะ S 1> ถามาคำถามจากทางบ้านคุณสุดใจ โยมได้ภาวนาแบบปัจจุบันเวลาไม่สบายเจ็บปวดมากปวดหนอปวดหนอจนหลับไปตอนที่ภาวนาแล้วจิตหดหูสุดทรมานเศร้าหมองอารมณ์นี้ต่างกับเวทนาเวลานั่งอารมณ์เวทนาจะทนได้ แต่เวลาที่ร่างกายเจ็บป่วยปวดมากมันสุดกำลังจนภาวนาแล้วหลับไปตื่นมาก็หายที่ไม่ไปหาหมอเพราะฐานะการเงินพอมีพอกินเลยไม่ไปหาและเป็นโรคที่รักษาไม่หายเลยโยมเลือกภาวนาและมีสติแบบนี้ถูกไหมเจ้าคะถ้าหลับก็ไม่ถูกอะถ้าหลับก็แสดงว่าสติหมดนั่นยังไม่ได้แก้ปัญหา ถ้าแก้ปัญหานี้มันต้องไม่หลับแล้วเห็นเห็นความทุกข์ความทรมานใจดับไปด้วยการใช้สติของเราใจเราสงบใจเราไม่ทุกข์กับความเจ็บไข้ได้ป่วยถึงจะถูกถ้าหลับนี้ก็แสดงว่ายังไม่ถูกต้องภาวนาแบบไม่หลับแล้วก็อันนี้ก็เป็นเพียงวิธีแก้ด้วยสติท่านั้นด้วยการได้ใช้สมาธิยังไม่ได้แก้ด้วยปัญญา ก็คือยังต้องยังทุกยังยังยังต้องทุกอยู่ทุกครั้งที่เกิดความเจ็บขึ้นมาถ้าอยากจะไม่ทุกข์กับความเจ็บก็ต้องใช้วิปัสสนาหรือปัญญาพิจารณาเห็นว่าที่เราทุกเพราะอะไรก็ทุกเพราะความอยากไม่จไม่อยากความอยากไม่เจ็บนั่นเองเราไม่เจ็บเราไปห้ามความเจ็บได้หรือเปล่าไปสั่งความเจ็บไม่ให้มันไม่เจ็บได้หรือเปล่าเมื่อเราสั่งไม่ได้สิ่งที่เราต้องทำก็คือหยุดความอยากไม่เจ็บ มันจะเจ็บก็ปล่อยมันเจ็บไปอย่าไปกลัวความเจ็บถ้าเราไม่กลัวความเจ็บต่อไปเวลาเราเจอความเจ็บเราจะไม่ทุกเนีอันนี้นะถึงจะเป็นวิธีที่แก้ปัญหาได้อย่างราบคาบต่อไปเราจะไม่เดือดร้อนกับความเจ็บ่ายได้ป่วยเจ็บก็เจ็บไปอยู่กับมันไปรักษาได้ก็รักษาไปแต่จะไม่ทรมานใจคำถามต่อไปจากคุณฝ้าย หากพ่อแม่เราป่วยหนักหมอให้ใส่เครื่องช่วยหายใจและเครื่องมืออื่นๆเพื่อยังชีพเป็นเวลานานพอเวลาต่อมาหมอบอกว่าไม่มีโอกาสที่จะหายแล้วและเขาสามารถจะให้ยาช่วยหายใจจะได้เสียชีวิตไม่ทรมาน ถ้าหากเราเป็นลูกและตกลงให้หมอถอดเครื่องออกและยอมให้หมอฉีดยาช่วยหายใจจะถือเป็นการฆ่าพ่อแม่หรือไม่คะแล้วการกระทำแบบนี้จะทำให้เราหมดสิทธิ์ที่จะบรรลุธรรมหรือเปล่าคะไม่หรอกเพราะว่าเป็นการหยุดการรักษาเท่านั้นเองแต่อย่าไปฉีดยาให้เขาตายก็แล้วกันให้เขาอยู่ไปตามธรรมชาติอยู่แบบไม่มีเครื่องหายใจเหมือนกับเราตอนนี้เราก็อยู่กันแบบไม่มีเครื่องหายใจก็เท่านั้นเอง าก็กลับมาอยู่ตามแบบก่อนที่เขาจะเข้าโรงพยาบาลก็หยุดการรักษานั้นก็คือการไม่รักษาการไม่รักษานี้ไม่ถือว่าเป็นการฆ่าตัวตายแต่การที่จะไปเอายามาฉีดหรือเอาหมอนมามาอุดจมูกไม่หายใจถึงจะเรียกว่าเป็นการฆ่ายนันไม่บาปไม่มีปัญหาเลยคำถามต่อไปจากคุณแมน การวางอารมณ์ชั่วพักชั่วครู่หรือใช้สติจดจอ่อเพื่อวางอารมณ์นั้นๆควรหรือไม่ประการใดครับเช่นรู้สึกว่าอารมณ์โกรธ ก็ปล่อยวางอารมณ์โกรธนั้นๆันน้สติจดจ่ออยู่แต่ไม่ทราบว่าเป็นการบังคับจิตหรือปล่อยวางได้จริงๆเพราะยังมีการปรุงแต่งอีกเป็นขณะขณะต่อจากเวลานั้นจึงไม่ทราบว่าควรหรือไม่ควรปฏิบัติเช่นไรให้กำลังพอสติจับทันอารมณ์ที่จอนเข้ามาเช่นนั้นวิธีปฏิบัติที่ถูกต้องนี้ขั้นตอนแรกต้องหยุดหยุดหยุดอารมณ์ต่างๆหยุดความคิดต่างๆด้วยสติก่อน พอเราหยุดได้แล้วต่อไปเราก็ใช้ปัญญาพิจารณาดู ว, ว่าอารมณ์ต่างๆเหล่านี้เกิดจากอะไรเราก็จะเห็นว่ามันเกิดจากความอยากต่างๆเราก็ไปกําจัดความอยากต่างๆที่ทําให้อารมณ์ต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นมาพอเรากําจัดความอยากต่างๆได้หมดแล้วทีนี้อารมณ์ก็จะไม่มี คำถามต่อไปจากคุณพงษ์มีสองคำถามครับคำถามที่หนึ่งเวลาภาวนาแล้วจิตฟุ้งซ่านมากๆ ม, ม, มีวิธีแก้ไขอย่างไรดีครับเราต้องใช้สติให้มากขึ้นแสดงว่าสติเราไม่มีกำลังพอถ้าเราไม่สามารถดูลมหรือพุโทโธได้ก็ให้สวดมนต์ไปก่อนสวดบทอะไรก็ได้สวดไปนานๆสวดไปเรื่อยๆ อ, อย่าไปหยุดสวดอิติปิโสไปรอยจบอะไรทานองนี้ แล้วพอมันได้สวดมันก็จะหายฟุ้งซ่านได้พอมันหายฟุ้งซ่านแล้วค่อยกลับมาดูลมกลับมาพุทโธหมายตอไปคำถามที่สองกินข้าวหมากผิดศีลไหมครับจัดอยู่ในของมึนเมาไหมครับถ้ามันมีสุรามันเป็นกบาปนะนี้จะมันถืย ว, ว่าบาปมากบาปน้อยเท่านั้นเองอ เดิมเดิมเดิมสซลาหนึ่งช้อนกับเดิมโซลาหนึ่งขวดนี่ไม่เหมือนมันบาปไม่เหมือนกันเดิมหนึ่งช้อนมันอาจจะไม่เมาแล้วก็มันถ้ามันเป็นเป็นส่วนของอาหารเราไม่ได้กินสุลาเรากินอาหารเองแต่ว่ามันมีส่วนของสซลาผสมอยู่แต่ถ้าเราอยากจะรักษาให้บริสุทธิ์เราก็อย่าไปกินมันเท่านั้นเองหมดเร็วคำถามต่อไปจากคุณรัชนี ขณะที่นั่งสมาธิมีกรรมฐานคือรู้ลมหายใจและภาวนาพุทโธพอนั่งได้ไม่นานจะเกิดอาการน้ำตาไหลและมีอาการหาวเหมือนหายใจไม่เต็มปอดอึดอัดแน่นจะทำอย่างไรคะควรเปลี่ยนกรรมฐานใหม่เจ้าคะไม่ควรนะควรจะอยู่กับกรรมฐานต่อไปอย่าไปสนใจกับอารมณ์ต่างๆที่ปรากฏขึ้นมา ต้อรู้ว่าเราใช้กรรมฐานอันไหนที่มันเหมาะกับเราถ้าเป็นไปได้ควรจะเอาอย่างใดอย่างหนึ่งจะดีกว่าพุโทโธก็พุโทโธไปดูลมก็ดูลมไปจะได้ไม่สับสนจะน่าไม่วุ่นวายมากเดี๋ยวถ้าพุโทโธด้วยดูลมด้วยเดี๋ยวมันมันสับสนได้เอ๊ะเข้าแล้วพุทหรือเปล่าโทรหรือเปล่าอะไรให้มันอยู่กับสิ่งอย่างเดียวดีกว่าอยู่ก็พุโทโธอย่างเดียวหรืออยู่กับลมอย่างเดียวดีกว่า คำถามต่อไปจากคุณนันทรัตน์เวลาที่ภาวนารู้ลมหายใจแล้วมีความคิดฝุ่งเข้ามาควรแก้ไขอย่างไรเจ้าคะ่ะไม่ต้องไปตามความคิดให้ดูลมต่อไปถ้าดูดูลมดูลมไปเรื่อยๆถ้ามันดูลมไม่ได้มันยังคิดอยู่ก็ใช้พุทโธไปแทนเปลี่ยนไปนมาเป็นพุทโธแทนท่องพุทโธพุทโธพุทโธไปหรือสวดมนต์ไปก่อนนะ คำถามต่อไปจากคุณสมเกียรติดวงจิตเข้ากับกฎไตรลักษ์ไหมครับไม่รู้บ้าว่างไงกฎไตรลักษ์กับดวงจิตจิตมันก็เป็นจิตนะสิจิตเป็นผู้รู้คำถามต่อไปจากคุณบุญเกิดพอพระยัตถาก็เริ่มกรวดน้ำพอถึงสัพพีต้องหยุดกรวดน้ำไหมคะ ตามประเพณีเขาพอพระเริ่มสวดสัพเพ่ก็ต้องเทน้ําให้หมดแล้วก็พนมมือรับพรต่อไปการสวดยาถาสัพเพ่ของพระนี้เป็นสองภาคภาคแรกเรียกว่ายะถาให้ผีสัพพีให้คนเข า, านี่นะยะถายะยถานี้เป็นการแสดงว่าการกระทําบุญของเรานี้เราสามารถแบ่งบุญนี้ให้กับผู้ร้องรับไปได้ เรว่ายาถาสแล้วพอท่านบอกเรื่องของการบุติบุญให้กับผู้รับรับไปแล้วพอท่านเริ่มสัพปีนี้ท่านเริ่มให้พรกับคนที่ทําบุญแล้วเ mm hmm. พราะพระเริ่มสวดสัพปีก็คนที่รับพรก็หยุดหยุดกวดน้ําแล้วก็ผนมมือรับพรไปฉนั้นจะกวดน้ําเฉพาะช่วงยาถาไปถึงสัปพีพอพระเริ่มสัพปีน้ำเหลือเท่าไหร่ก็เทให้มันหมด แล้วก็วางแล้วก็ผนอมมือรับผ่อนต่อไปดยกระทั่งภ้าสวดอายุวันโนสุขังพลางจบแล้วเราก็ทีนี้ก็เอาน้ำไปเทโคนต้นไม้ต่อไปงั้นเขาแบ่งเป็นสองภาคยะถาให้ผีสับผีให้คนจาไว้นะยะถานี่คือช่วงที่เราทำให้ให้ผีให้คนตายพอสับผีนี้ให้คนเป็นยะถาให้ผีสับผีให้คน คำถามต่อไปจากคุณจตุรงการภาวนาแ น, แน่วแน่อยู่กับพุทธโธคือตัวจิตแต่สิ่งที่ผุดแทรกขึ้นมานอกเหนือจากคำว่าพุทธโธเป็นอาการของจิตทั้งนั้นใช่ไหมครับ มันจะเป็นอะไรก็ไม่สาคัญอย่าไปสนใจมันให้มันอยู่กับพุโทโธไปอย่างเดียวชอบวิเคราะห์เรื่อยชอบวิภาควิจารณ์นั่งสมาธิมันเลยไม่สงบสักทีแทนที่จะให้มันอยู่กับพุโทโธพอไหลโผล่ขึ้นมาก็ไปวิภาควิจารณ์ในสิ่งนั้นเป็นนู่นเป็นนี่ขึ้นมาปรุงแต่งต่อไปแทนที่จะหยุดปรุงแต่งก็มีเรื่องให้ปรุงแต่งอยู่เรื่อยๆเดี๋ยวไอ้นั่นโผล่ขึ้นมาไอ้นั่นเป็นอะไรไอ้นี่เป็นอะไรมาจากไหนโอ้อยากจะรู้รู้ไปหมด นั่งทีไ i, มันก็เลยฟุ้งซ่านไปทุกทีพอมันนั่งมันไม่ใช้สติจดจ่ออยู่กับอารมณ์เดียวมันไปคิดปรุงแต่งอยู่เรื่อยๆคำถามต่อไปจากคุณปุ้ยการหวีผมเป็นข้อห้ามในศีลแปดไหมคะหวีผมเหรอครับผมอ๋อไม่ห้ามหรอกถ้าถ้าหวีเพื่อให้มันเรียบร้อยไม่ใช่ปล่อยให้มันกระจุกระจุยเหมือนผีอย่างนี้มันก็ไม่ มันก็ควรที่จะมีการหวีบ้างแต่ไม่ให้ถึงกับหวีแบบให้เป็นนางฟ้านางอะไรไปอย่างนั้นให้ให้มันเรียบร้อยคนที่รักษาสิ่งแปดนี้ให้รักษาความสะอาดเรียบร้อยของร่างกายได้อยู่แต่ไม่ให้เสริมสวยความงามต่างๆเกินธรรมชาติของมันเช่นไปดัดไปย้อมสีอะไรอย่างนี้มันไม่ต้องทาตามธรรมชาติ คำถามต่อไปจากผู้ฝากถามการไหว้พระสวดมนต์ตอนเช้าทุกวันต้องสวดมนต์แบบไหนเจ้าคะแบบที่เราอยากจะสวดนั่นแหละจะแบบไหนก็ได้เพราะการสวดมนต์ก็เป็นการฝึกสตินั่นเองเป็นการฝึกสติฝึกสมาธิถ้าเราไม่รู้เราจะใช้ตามแบบของวัดก็ได้วัดก็มีแบบ สวดมนต์รวัดเช้าวัดเย็นไปเปิดหนังสือสวดมนต์ดูก็มีให้เลือกสวดตามสูตรชมเขาก็ได้สวดมนต์วัรทวัดเช้าสวดตอนเช้าก็มีให้สวดทมวัดเช้าสวดตอนเย็นก็มีสวดทำวัดเย็นถ้าเราไม่รู้จะสวดบทไหนเราก็เราก็สวดตามสูตรที่เขากาหนดไว้แต่ถ้าเราชอบสวดบทไหนบทเดียวเราก็สวดบทนั้นไปก็ได้ เช่นเราชอบธรรมจักแล้วก็สวดธรรมจักของเราไปอย่างเดียวก็ได้เช้าก็ได้เย็นก็ได้กลางวันก็ได้ที่ไหนก็ได้อันนี้การสวดมนต์เป็นการฝึกสติเป็นการฝึกสมาธิเท่านั้นเองคำถามต่อไปจากผู้ฝากถามเป็นลูกต้องเลี้ยงดูพ่อแม่แต่ถ้าพ่อปฏิบัติไม่ถูกไม่ควรจนทำให้เราเสื่อมศรัทธาเราควรทาอย่างไรต่อไปคะ แล้วถ้าเวลาพ่อเลี้ยงเราแล้ว เ, เราทําตัวไม่ดีก็ เ, เสืส่อมศรัทธาเขาควรจะทำอย่างไรกับเราดีก็มองมุมกลับดูสิถ้าเขาเราเขาเลี้ยงเราต่อไปแล้วก็ต้องเลี้ยงก็ต่อไปถ้าเขาส่งเราไปอยู่เป็นเด็กอนาถากเราก็ส่งพ่อแม่ไปเป็นคนอนาถาไปคําถามต่อไปจากผู้ไม่ประสงค์ออกนาม วิธีตัดกามตัณหาทำอย่างไรครับก็อย่าไปเสพกามไงสำรวมอินทรีย์สำรวมตาหูจมูกเล่นกายให้ถือศีลแปดให้ได้ถ้าถือศีลแปดได้ก็เสพกามไม่ได้ร่วมหลับนอนกับแฟนไม่ได้หาความสุขจากการรับประทานอาหารไม่ได้ให้รับประทานอาหารเพื่ออยู่ไม่ให้อยู่เพื่อรับประทานอาหาร ไม่ให้หาความสุขจากบันเทิงต่างๆมหอรสถต่างๆวิธีแรกก็คือให้รักษาศีลแปดแต่มันยังก็ยังห้ามความอยากไม่ได้อยู่เพียงแต่กั้นความอยากไว้ไม่ให้มันทําถ้าต้องการให้ความอยากมันหายไปก็ต้องนั่งสมาธิถ้านั่งสมาธิจิตสงบความอยากก็จะหายไปแต่ก็ยังหายชั่วคราวพอออกจากสมาธิมาความอยากเสพกามก็ยังมีอยู่ถ้าอยากจะให้มันหายอย่างถาวรก็ต้องทําขั้นต่อไป ก็คือต้องใช้ปัญญาพิจารณาให้เห็นว่าการเสพกามเป็นทุกข์ไม่มากกว่าเป็นสุขสุขตอนที่ได้เสพแต่เวลาไหนไม่ได้เสพตอนนั้นมันจะกลายเป็นความทุกข์มาฉะนันเวลามีแฟนก็มีความสุขพอเลิกกับแฟนทีนี้ก็มีความทุกข์ตามมาให้เห็นว่ามันมีความทุกข์ตามมาถ้าถ้าต้องการจะเสพกามเมื่อเห็นความทุกข์แล้วต่อไปก็จะไม่อยากเสพกามอีกต่อไป คำถามต่อไปจากคุณลูกโปง่งถ้าบางครั้งฝุงซ่านไม่สงบบริกรรมพุทโธพุทโธเอาไม่อยู่แต่พอลองบริกรรมตายตายไปสักพักสงบขึ้นจึงกลับมาบริกรรมพุทโธต่อได้ทำแบบนี้ถูกไหมเจ้าคะถูกจะต่อด้วยตายไปเรื่อยๆก็ได้อันไหนที่มันทำให้ใจสงบก็เอานั่นเลยก็ได้คำถามต่อไปจากผู้ฝากถาม ถ้าเราอยู่กับคนไม่มีน้ำใจเราควรวางจิตใจแบบไหนเจ้าคะถึงจะไม่ฟุ้งซ่านก็อย่าไปหวังน้ำใจจากเขาเลยแต่เมื่อก็ไม่มีน้ำใจจะไปเอาน้ำใจจากเขาได้ไงเหมือนอย่าไปลิดเลือดจากปูปูไม่มีเลือดแต่อยากจะกินเลือดปูก็จะผิดหวังงั้นอย่าไปหวังอะไรจากเขาแล้วเราก็จะไม่ผิดหวัง คำถามต่อไปจากผู้ฝากถามใส่บาตรพระที่ตลาดตอนเช้าแล้วกลับมากรวดน้ำที่บ้านได้ไหมเจ้าคะได้กวดที่ไหนก็ได้ถ้าจะให้ดีกวดตอนที่ใส่บาตรเสร็จเลยไม่ต้องใช้น้ำ น้ำนี้ไม่จำเป็นจะต้องมีน้ำน้ำนี้คือน้ำที่เราต้องการจะมีก็คือน้ำใจน้ำใจคือมีน้ำใจที่อยากจะแบ่งบุญให้กับผู้ที่ร่วงรับไปแล้วใช้น้ำใจกดน้ำด้วยการระลึกภายในใจว่าขอทิศส่วนบุญนี้ให้กับผู้นั้นผู้นี้ ก็ถึงแล้วไม่ต้องมานั่งสวดบทที่เขาให้เรามาท่องกันอมีนาอะไรงุ่นอย่างนี้อะไรไปท่องไปก็ไม่รู้ว่าสวดอะไรไปใช้ภาษาเราดีกว่าเขาทิดบุญส่วนนี้ให้กับคุณป้าคุณยาคุณตาคุณยายหรือใครไปท่า น, นี้ก็เสร็จแล้วไม่ต้องใช้นะพอใส่บาสเสร็จพอพระเดินไปแล้วก็นั่งพนมมือแล้วนึกขับอธิษฐานไปภายในใจเราก็กดน้ําเสร็จแล้ว ให้ทำทันทีดีกว่าเพราะมันจะได้สดสดร้อนๆไงถ้ากลับบ้านแล้วระหว่างทางเกิดไปทะเลาะกับใครเขาเดี๋ยวอารมณ์มันจะบูดขึ้นมา <Okay. S 1> เดี๋ยวมันจะมันจะกวดของบูดไปให้เขานะเวลาทำบุญเสร็จปั๊บให้อุทิศบุญไปเลยกวดน้ําไปเลยไม่ต้องมีน้ําถ้ามีก็ได้ไม่ห้ามแต่ไม่จำเป็นจะต้องมีหมดแล้วใช่ไหมโอเคก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลา